นะฟองทมต่อขณะ น, นี้เวลาได้บรยากาศ ก, าก็มีความหนาวความหนาวเป็นหลักสูตรของการปฏิบัติธรรมอะไรที่เกิดขึ้นกับกากับใจ ถือว่าเป็นหลักสูตรของการปฏิบัติใต้ปฏิบัติกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้เลี้วไปที่สุดคือรู้สึกตัวเป็นหลักปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับขวายกับใจถ้าไปลงที่ความรู้สึกตัวก็ถือว่าจบ ไม่ไปอีกสุดแล้วสุดทางแล้วสุดการศึกษาที่เกิด ท, ที่เป็นสูตรของสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับจิตใ จ, จถ้าไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติก็ไปไกลเป็นตัวเป็นตนเกิดขึ้นกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นโตไปอีก รวมแล้วก็คือลงที่คําว่าเป็นเช่นนั่นเองอะไรก็รวมลงที่เป็นเช่นนั่นเองถ้าเป็นคํามตกบถ้ามีสติก็เป็นอย่างนั่นเป็นเช่นนั่นเองหรือว่าจบต่อสัพิชาการแล้วว่าตถาต า, า, ตาอิทัพปัจเตา เป็นอิทปเจตาเป็นธตุตาเป็นเช่นนั่นเองเพราะว่าไม่มีเป็นอื่นมันมีรูปมีนามมีวัตถุอาการมีสมมติปัญญามีประมัติสัจจะ ปรมัดสัจจะคือเป็นเช่นนั่นเองถ้าไม่เป็นปรมัดเป็นสมมติก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นไม่น่าจะเป็นอย่างดีต่อมาจึงเป็นอย่างนั้นเป็นตัวเป็นตนเกิดขึ้นกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับจิตเกิดพบเป็นชาติ เกิความหนาวความหิวความปวดความร้อนอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นกับการกับใจลงที่เท่ า, าตทตาอิทธรปเจตตาเป็นเช่นั้นเองเืว่าจบเป็นสูตรการปฏิบัติเยอะแยะสูตรพระสูตรพระวินยัยพระอภิธรรม มันมีอยู่ในกายในใจนี่มีวิดัยที่เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นพะสตรนำไปสู่จุดหมายไปทางที่พิเศษที่าบวิในเราใช้อยู่ในกระดาษวิคือวิเศษไน ย, ยะคือนำไปสู่ความวิเศษ ในหลักการปฏิบัติในความเกิดก็มีความไม่เกิดในความเจ็บก็มีความไม่เจ็บในความเจ็บก็มีความไม่เจ็บในความตายก็มีความไม่ตายเราวิ่งหน่อยมีวิธีปฏิบัติต่อความเกิดมีวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความเจ็บความเจ็บความตายเรียกว่าต่ถอดตา ตรงไปถูคําว่าเป็นเช่นนั่นเองเพราะมันเป็นเช่นนั่นเพราะมันมีรูปมันมีนามรูปนามเป็นดุน้นเป็นก้อนรูปนี้ฉิบหายเพราะร้อนเพราะหนาวเพราะการเวลานามนั่นฉีกหายเพราะอาการที่มันเกิดไปเกี่ยวกับวัตถุภัย วัตถุที่เป็นวัตถุอันอื่นเอาความทุกข์เป็นทุกข์เอาคองโกรธเป็นโกรธเอาควาหลงเป็นหลงเกิดขึ้นที่นามมันก็มีความเกิดเจ็บเจ็บตายที่นี่เป็นพบเป็นชาติยิ่ยงกว่ารูปที่เป็นรูปที่เป็นดุ้นเป็นก้อนแต่เราไม่ปฏิบัติธรรม ไม่จบรูปก็ไม่จบนามก็ไม่จบไปไกลโดยจึงมีการปฏิบัติมันเป็นชูดอยู่นาพ้องกันปัญหากับปัญญามาพ้ อ, อมกันโจทย์กับการเฉลยมาพ้องกันเรีวยกว่าปฏิบัติ จะเลยได้ทุกเรื่องที่เกิดขึ้นกับลูความนามหรือว่าพระสูตรหรือว่าจมูดยื่นความร้อนมาให้ยื่นความหนาวมาให้ยื่นความหิวมาให้ยื่นความเจ็บมาให้ยืนความแก่ความเจ็บความตายมาให้จะเลยได้หมดถ้าเป็นไปตามวิถีใแถ้าเป็นหลักปฏิบัตินั้นมี สุขมันจะมีไม่สุขมันจะมีมันมีทุกข์มันจะมีไม่ทุกข์เาเพื่อกันในคราวเดียวกันถ้าเราปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติก็ฉเฉลยไปได้เป็นการบ้านเป็นภาระไปไกลในความหลงก็มีความหลงไปไกล ในความทุกขก็มีความทุกข์ไปไกลในความสุขก็มีความสุขไปขกขไกลต่อยอดไปหลายอย่างเราจึงมีการศึกษาปฏิบัติหลักปฏิบัติก็คือกรรมฐานวิธีปฏิบัติคือหลักกรรมฐานเป็นสูตร ร่างกายร่างใจทำให้กายสะอาดทาให้ใจสะอาด <c oughs> สะอาดแบบตาตาตาสูตรร่างกายสูตรร่างตับถูล่างไตที่มีการกระทากันอยู่ ท, ทั่วไปนั่นก็เป็นสูตรต้นึดิ เกี่ยวกับวัตถุอื่นๆหลายอย่างมีวัตถุเป็นหยกเป็นยามีวิธีทมประจ์ที่ร่างกายทำให้รักษากายก็มีเกี่ยวข้องกันด้วยสุดความหิวก็คือกินข้าว สุดความหนาวคือห่มผ้าสุดความร้อนคืออาบน้ำสุดความเจ็บไข้ตดป่วยเอาสาวัตถุดึงสงบุคคลที่ดึงที่สงมีเครื่องไม้เครื่องมือมีมหยุบวิยามีวิธีมีความรู้เกี่ยวกับโรคไข้ไข้เจ็บสูดล้างใจ การฉุดกรรมฐานง่ายๆไย่ายากเปนฉุดรักษากายการรักษาจิตใจนี่เป็นของสะดวกเป็นของง่ายดงที่ตะตะตามีสติแล้วก็ฝึกหัดกันให้มีสติไปในกาย มันจึงจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับจิตมันจะเข้าแถวให้ดูเป็นทัศนุตาเลยะเป็นชุมทางเป็นตลาดนัดองการศึกษาถ้ามีสติไปในกายจะเห็นอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจจะได้รู้จะได้ศึกษา ลงที่สติคือรู้จึกตัวในการกระท่งตามหลักที่พระเจ้าได้ปฏิบัติเห็นทุกทุกเป็นสิ่งที่กําหนดรู้ได้รู้แล้วว า, างไว้ตรงความทุกข์นั่นคือนี่คือทุกสมุทัยเป็นเหตุต้องละ เหตุที่ทาให้เป็นทุกต้องละถ้าเป็นการปฏิบัติก็ลดได้ตรงที่ขวัติาตาตๆเป็นเช่นนั่นเองมีสติรูแ้แล้วแล้วๆไปโลดก็ทำให้มันแจ้งเห็นแช่เห็นชัดจติกับความหลงต่างกันอยู่ความทุกข์กับความไม่ทุกข์ต่างกันอยู่ ควโกรธกัความไม่โกรธต่างกันอยู่ลู่แย้งจริงจริงไม่ต้องถามใครเมกกื่อลู่แย่งเช่นนี้พยายอมในสิ่งที่หลงไปไม่ให้เป็นหลงในสิ่งที่หลงถ้าไม่เป็นลู่สึกตัวในสิ่งที่เป็นทุกข์ก็ไม่ทําให้เป็นทุกข์ต่อไปเป็นสิ่งที่ลู่สึกตัว นัรู้แจ้งนั่อรูงก็ทำถูกต้องเจ้ามักปฏิบัติที่ถูกต้องต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในความหลงก็มีมักปฏิบัติต่อความหลงให้เป็นความไม่หลงในความทุกข์ก็ปฏิบัติกับความไม่ทุกข์ไม่เป็นทุกข์เว่ามักพวเจ้าทำอย่างนี้ไม่นานลอดลด นจนดักเดียวไม่หลายอย่างในตัวเศษเป็นสูตรเป็นการปฏิบัติตัวปฏิบัติก็มีจริงมีรูปปรรม ท, ที่ทําได้จริงๆรงิมีนามธรรมที่รู้สึกว่ามันบอก ัรูปท่องนามมีรูปทำ ม, มีนามทำทำดีก็ได้ผลทำชั่วก็มีทูตทำดีก็ไม่มีทูททำชั่วก็มีทูต่รู้สึกเอาเองเกิดหลงเป็นรูได้เห็นแล้วได้ถ่วมทำชีวิต่หม่ดีให้มันดี ตามจิที่ผิห้มันถูกเห็นหลงได้เป็นความรู้แล้วก็แล้วก็เป็นทั้งมากเป็นทั้งผลในในหลงเป็นเหตุในรู้เป็นผลเป็นมากเป็นผล ไม่ได้เป็นอื่นมันจึงมีมรรคผลเกิดในรูปที่นาก็ได้ประโยชน์ได้ปัญญาจากปัญหาเป็นปัญญาพุทธะต่างเก่าพ้นพรา ะ, ะเดิมเรียกว่าวิปัสนา นิปัจนาล่วงพ้นราวะเดิมมาต่างกันอยู่แต่ก่อนอยู่ที่โ น, น้นเขาเดินทาเสียใจกขาฉรสเฉินก็ดีใจเป็นสุเป็นทุกข์ไม่ได้มีเสียมาทำให้เป็นมาต้องยอมรับถ้าได้ก็ดีใจถ้าเสียก็เสียใจ แ บ, บนี้เหมนต่างเก่าไม่อยู่ที่นูน่นร่วงพ้นแล้วไม่เอาความด้อยเป็นความดีไม่เป็นเอฉื่อยดีใจไม่ความไม่เสื่อยไปที่เป็นความเสื่อจไม่เอาสุกมาเป็นชุกไม่โทุกมาเป็นทุกหนก็ต่างเก่าอยู่ จะผ่าได้ด้วยการปฏิบัติในปัญหาเกิดปัญญาได้เหมือนเดิมปัญญ า, าก็โลภรู้ในของสังขารนี้สังขารคือกายสังขารจิตตสังขารกายสังขาร เปลี่ยนเป็นวิสังขารจิตตาังขานเปลี่ยนเป็นวิสังขารวิสังขานเหมือนกับกันตาเป็นสังขารคือปรุงติดหลงก็ติดสุข ก, ก็ติดทุกข์ก็ติดมันก็เหมือนติดมันมีวิญญาณมีสังขารแล้วก็มีวิญญาณติด ความฉุก็ติดมาความทุกข์ก็ติดมาความรักก็ติดมาความห ล, ลงก็ติดมาความโกรธก็ติดมาติดทุกอย่างแบบนี้วิสังขารมันไม่ติดมหลุดในความหลงไม่ติดแล้ก็ลากออกแล้วไม่หลงเป็นรูป ก, ก็ลางออกแล้วมัหลุดออกไปแล้ว ในจบ ก, ก็เป็นลูกหลุดสุขหลุดอกไปแล้วมีเท่าไรก็หลุดไปนาเพื่อหลุดคือวิมุตติหวังหลุดพ้นเพื่อการนี่ปฏิปธรร ม, มใเ่ลาศกละเสียงเสิญเยนโยไม่ใช่หมู่มิตพวกพ้องบริวารนันเป็ น, นการหลุดพ้น จาผู้ปฏิบัติเองไม่ใช่ยานลู่อะไรต่างๆไม่มีเกีอบรลู้ที่เป็นทำให้เกิดความหลงเกอบยมลู่ใดเป็นปัญญาปัญญาเพื่อของหลุดพ้น อะไรคือหลุดพ้นอะไรเกิดขึ้นถึงการที่ใจเพื่อการหลุดพ้นทั้งหมดเราก็เป็นอย่างนั้นเมือม่อบรรทูกก็ตอบเองในการสัมผัสกับชีวิตของเราเองมีมากมาผลเกิดขึ้นมาเองต่างเก่า เป็นภพเป็นภพใหม่พราวะอันใหม่ไม่ปูนบริสุทธิ์ในกิดที่รู้จักตัวกับจึงหวะต่างที่มันเกิดขึ้นนั่นแล้วก็เป็นศีลเล่า รู้สึกตัวมันก็ทำความดีแล้วรู้สึกตัวจิตก็บริสุทธิ์มันจึงสะอาดในความหลงก็สะอาดในควอมเปื้อนก็มักมีความสะอาดง่ายๆปฏิบัติทำรัดๆให้รัดๆเพื่อใช้เวลาเร็วไว้จหน่อย ดีแล้วถ้ามีสติเห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นจะได้ผ่านอย่าไปนั่งหลับตาสงบเดินตาใ น, ในตาเนื้อมี่สติให้เป็นปกติธรรมดาอย่าให้มีวิธีอะไรตึกรลับอ่อนวอนขอร้องอะไร ให้เปิดงานกระทำล้วนร่วนอย่าเอาการเวลามาต่อลงจัดลัดก็อยู่ที่เวลามันหลงในรูนี่หลงทีหนึ่งรูทีหนึ่งุกทีหนึ่งรู ท, ทีหนึ่ ง, งอะไรที่มันเกิดกับกากับใจลัดไปถึงควมรูสึกตัว เพื่อการอันโดยตรงต <c oughs> ่ให้หลงเป็นหลงไม่ได้เลดเลยเลื่อนชาโคตรคงจุกเป็นฉุกไม่ได้เลดทุกเป็นทุกไม่ได้เลิศให้เลดตรงนี้การปฏิบัติธรรมโดยการปฏิบัติ ต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจให้ลงให้ลงที่ความรู้จึกตัวควมรู้จึกตัวที่แรกก็เป็นความรู้สึกตัวธรรมดาเป็นสติธรรมดาต่อไปจะเป็นสติปฐานต่อไปจะเป็นมรรคเป็นผล จากสตินี่คือลงที่ความไม่เป็นอไัไลภาวะที่ไม่เป็นอันไายเห็นหมดทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับก า, ากับใจเป็นปัญญาเป็นปัญญาสติทํานได้เกิดปัญญาพุท ธ, ธะมาให้ลั ด, ลด น, นั่งเกี่ยววันง่วงขนลดให้รู้จักตัวนั่งเกี่ยววันคิดไปก็รู้จักตัวโดยเฉพาะวิชากรรมาฐานตามรูปแบบของสติปัฏฐานสบูนแบบไม่จนเลยถ้ามีรูปมีดำวัตถุใหญ่เป็นที่ตั้งคือรูป กให้เป็นที่ตั้งอย่าหลุดไปที่อื่นเหมือนนิมิต ท, ที่อาอัยใกาะไว้ยจีเช่นไว้ตามบรรทัดไว้เมื่อตามบรรทัดํำนานเข้าก็ไม่มีบรรทัดเหมือนก็เรามดเขียนหนังสือถ้าเขียนใหม่ก็มีบรรทัดเต็มบรรทัดครึ่งบรรทัด จํานานแล้วก็ไม่ต้องมีวันทันมันเป็นศาสตร์เป็นศิลป์มันเป็นปริญญาจํานานจํานาญในการลู่สักตัวจํนานาญในความหลุดพ้นเพื่อความหลุดพ้นทั้งหมดจะไม่เกิดขึ้นกับการกับใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเพื่อหลุดพ้นมันจึงมีความชนานาญ ถ้าไม่มีสิ่งที่ทำให้จำนานก็ไม่มีความหลงเป็นความชํมนานาญในความรู้ความทุกข์เป็นเชิงํานานในความรู้ความโกรธเป็นความชํมนานาญในความรู้อาราที่เกิดกับความกับใจตัณฑ์จำนานทั้งหมดห้องตัวแล้วก็มีเรื่องเดียวมันจะจบไปไว้จบไปไว้ ในสักขันก็เขมานไปวิสังขันอะไรกลายเป็นบรรดาพุทธะมีแต่พราวะที่รู้ที่ตื่นเหตนอันใดก็อันเก่าบ่มหลงก็อันเก่ามันมีกุศลมีอกุศลท่า น, นั้นก็เลือกได้อกุศล ไปทางต่ำกุศลไปทางสูงสูงตัวโง่ความฉลาดมันมีความฉลาดในความโง่ในความมีปัญญาในปัญหานี่เรียกว่าปัญญากุศลความฉลาดบัญหามันมันก็มาเป็นปัญญา ปัญหาเกิดของจากสังขารกายสังขารจิตสังขารความโลรูร่ในกองสังขารเป็กายสังขารเป็นปจิตสังขารนี่เรียกว่าปัญญาเป็นปัญญาพุทธะไม่ใช้ปัญญาแบบโลกโลกที่เรียนมาเอาผิดเู่เ ก, กันเป็ทุก ปัญญาที่เกิดจากสังขารที่ได้จากกองสังขารคือกองรูปกองนามนี่มันเป็นปัญญานี่ปัญญาหลุดพ้นเป็นพุท ธ, ธะปัญญานี่เหนือการเกิดเจ็บเจ็บตายเหนือรูปเราจึงต้องหัดเอาปัญญาเรื่องดีไม่ใช่มีผู้สอนให้ทำให้เหมือนเป็น ทีแล้วก็หัดหัดลู่ไปในกายให้ลู้จึกปในกายจับจามอาศักายเพื่อให้มีความลู่เ่อเราดูหนังสือเพื่อให้มีความลู่ความจอมถ้ามันลู่จริงจรงทิ้งทิง้งเลยหนังสือก็ทิ้งเราต้องไปดู รู้ความหมายในเรื่องการเรื่องใยทิ้งเลยไม่ต้องอาศัยนิมิตมันเราะว่าที่เห็นเนี่ยไม่มีนิมิตที่ที่ตั้งใช้แล้วมันเป็นแล้วตานานความรู้จักตัวเห็นไม่เป็นเห็นไม่เป็นแต่ตาตตาตตาอิทธิปจัจจตาเป็นเช่นนั่เองเป็นเช่นนั่นเองเ จะ <c oughs> เป็นคําตอบคําว่าเป็นเช่นเองตอบได้ทุกอย่างสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากกายกับจิตตรงคําตอบที่ว่าเป็นเช่นนั่นเองมันก็ทิ้งไปแลว้ว่าเป็นเช่นเองเป็นของทิ้งไม่ยึดแล้วไม่หนักเป็นการวางเฉลแล้วไม่มีตัวไม่มีตนแล้ว ก็ว่าเป็นเช่นนั่นเองในความหนาวก็เป็นเช่นนั่นเองถ้าเป็นผู้หนาวก็าจะเป็นทุกข์เป็นโทษต่างพร้อมหนาวก็เป็นทุนนทกข์แต่ว่าเมื่อว่าเป็นเช่นเองมันก็คือปัญญา จนเรานอนเพ้าห่มที่อุ่นไม่หนาวคิดถึงคนที่ไม่มีผ้าห่มเมืม่อคิดถึงก็ช่วยอุ้งเทียช่วยถ้าช่วยไม่ได้ก็ก็คิดแต่ทำความดีมันก็เสียฉลาดถึเข้าอิม่มคิดถึงคนที่หิวเราพนทุกคิดถึงคนที่มีทุก เป็นเองเรามีเมตตาคน า, ก, า, นาก็ความโกรธความโลภความหลงก็โหมดไปมีความเมตตาคณ า, าขึ้นมาเทนไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยการมีสินขึ้นมาเป็นระเบียบเรียบร้อยจิตใจปิ้ววน์โมยเยินดีเย็นลอยการเป็นสมาธิหนักแน่นขึ้นมา นักเต้น <t ell> ขึ้นมาไม่หวั่นไหวในทุกกรณีนี่คือปฏิบัติธรรมได้ประโยชน์จากมีรูปมีนามมาใช้ให้สเร็จในการนี้สำเร็จจริงๆมีรูปมีนามมาทำสี่งที่มัน มีประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับลูกก้นมน้ำเจ็ดมือห้านิชิบมาอเปน็นนมมือทำได้อยากเข็นจกฆ่าจะทำบาปทำกรรมมาเปลี่ยนเป็นประนมมือัวที่มาถึงประนมมือมีน้าใจนี่าจ๋าก็ไม่เป็นไรนี่ไม่เป็นไร พูดออกไปมีใจก็บางปล่อยปล่อยวางไม่มีตัวมีตนในอาการหักต่างปล่อยวางเมื่อมีการปล่อยวางก็มีการพูดว่าไม่เป็นไรพูดในหัวใจไม่ต้องพูดออกเสียง ม, มาในหัวใจมาในปัญญา เป็นชีวิตที่หลุดพ้นไปชีวิตที่สะอาดจริงสก ป, ปกล่างหมดแล้วก็ ว, ว่าไม่เป็นไรมันสะอาดบริสุทธิ์หมดจดจากเครื่องโม่หมองจึงเรียกว่ามีผลจากที่มีทุกมีทูดพ้นมา ามีปัญหาพ้นออกมาใช้กายสำเร็จใช้จิตใจสำเร็จในการนี้ที่ว่ามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติถ้าเราไม่ใช่เป็นประโยชน์ในรูปในนามที่มันมีให้ใช้นี้ไม่ใช่มันให้ถูกต้อมันก็เป็นโทษเป็น โลกเป็นเปตเป็นสุรกายพป็นสัติชานไม่เหมือนสัตว์ดิชานทั่วไปมันมีสมองมันมีขันห้านี <c oughs> ่รูปวิจนาสัญญาสังขารวิญญาณในขันห้านี่มันจึงมีโลกเปรตไม่สุรกายในขันห้านี่ จริงมีมรรคลนิพพานถ้าปฏิบัติจึงน่าจะเ ก, กิดตือหรือล่นที่รูปได้นำมาเอามาทำความดีให้มันเปิดขึ้นทุกวินาทีจะว่าอย่างไรโดยพาะกรรมาฐานสติปัฏฐาน นี่สติเป็นกายเป็นใบจําทุกวินาทีเลยนี่สวนเที่ยอวอมาเป็นเครื่องปลุกสติให้ลูกทุกวินาทีได้ตามคุประสงคได้ละไม่ใช่มันก็ปีอยู่หลงปีเคลื่อนไหวปีปีทุกก็ปีโกดก็ปีหนาวก็ปีร้อนก็ปีอะไรก็ฟรีไปเลยไม่มีประโยชน์ ไม่ใช่รูปให้เป็นประโยชน์มันไม่ใช่น้าไม่เป็นประโยชน์หนะลงก็เป็นหลงทุกข์ก็เป็นทุกข์โกรธก็เป็นโกรธเชื้อดอยมันก็ดอตรงกันข้ามในความหลงก็ไม่คงไม่หลงน่าจะใช่ไม่ได้ประโยชน์ในความทุกข์ก็ไม่คงไม่ทุกข์มันใช่อย่างนี้เองล้วก็ได้ประโยชน์ มีเห็นทุกข์จึงพน้นจากทุกข์ตัวพ้นมากๆก็ถือว่าพุทธะพุทธิเจา้าก็เป็นพุทธิเจ้าได้ก็พน้นจากทุกข์ดีแล้วพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิเกบานด้วยธรรมธรรมทั้งกุศลและกุศลที่มันเกิดกับกายกับจิตนี่ เราจึมาใช้ชีวิตอย่างนี้จะไม่ได้เสียชาติยากเหลือเกินที่เราได้ชีวิตมายากเหลือเกินที่ได้ปฏิบัติธรรมกว่าจะมาดั้งยกมือซรากจากรวานี่กว่าจะมาเคลื่อนไหวให้รู้สึกตัวนี่ เราเคลื่อนไหวมานานเท่าไหร่ไม่รู้สึกตัวเราหายใจทิงเท่าไหร่ไม่รู้สึกตัวเอาหลงคิดเท่าไหร่ไม่รู้สึกตัวเรารุงแต่งอะไรเท่าไหร่ไม่รู้สึกตัวบัดนี้มาหัดเนี่ยอนในควา ม, มปงองืึมคนรู้สึกตัวมาหัดไปในกายเชโกน เคื่อนไหวให้รู้สึกตัวเราไม่เคยเคลื่อนไหวหมือให้รู้สึกตัวเลยจับด้อมจอบด้ามเฉียมเดินไปเล่ยเป็นนทำโน่นทำ น, น, ทำนี้ไม่เคยรู้สึกตัวเลยวันนี้มาหัดตัวแวก็มั่นใจมือก็อยู่ที่วางบนเข่านี่รู้สึกตัวอยู่ที่นี่แต่รู้สึกตัวก็ไม่หลงก็อยู่ที่นี่ เมื่อไม่หลงอยู่ได้ประโยชน์จากความหลงเป็นความรู้นี่อย่างนี้ได้ประโยชน์จากความทุกข์ได้ความรู้ได้ประโยชน์จากความโกรธได้ความรู้ได้ประโยชน์จากความผิดได้ความรู้นี่แต่บทเรียนไม่แต่สูตรทำให้เราศึกษาเยอะแยะเลยมันก็ก็ตือหรือโลนถ้าเราได้รู้จักตัวเนี่ยเท่ากับเราได้ คือคนอื่นถจงเกินวัตถุอื่นแล้วแล้วความช่วยจะทำความดีแล้วได้ฝึกให้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาแล้วได้มีบุญแล้วเปลี่ยนหลงเป็นรู้ถือว่าทำบุญแล้วเปลี่ยนโกรธเป็นรู้ถือว่าทำบุญแล้วเปลี่ยนความร้ายเป็นความดีความร้ายที่เกิดขึ้นถือว่ากำจ่ายนี้ให้เป็นความดีให้เป็นความรู้จึกตัวถือว่าทําบุญแล้ว ไม่ใช่ทำบุญแต่ภายนอกบุญในศาสนาคืออย่างนี้บุญโนอกศาสนาก็ไปหาเอาชื้อเอาก็ได้เงินไปจ้างเอาก็ได้บุญนั่นบุญโนอกศาสนาบุญในศาสนาคือในกายในใจเรานี่อาวะธรรมมันไม่เกิดขึ้นมานเนี่ยเมื่อมีบุญในกายในใจ แล้วก็เป็นบุญอีกคือแยะไปเลยถ้าคนเรามาทำบุญในการในใจนี่กเกิดบุญเกิดสนต้นกระพึกเกิดขึ้นสี่มุมเมืองถ้าไ ม, ม่บุญในการในใจแล้วก็อาจจะโกบโกยทำให้ขาดแขนถ้าไม่บุญในการในใจแล้วไม่ติดไม่ถิ่ไม่ใจแต่ใจลอยจริงตรอมชาติก็ไม่ถูกทำลาย ไม่แล้วแบงปันบุญแบบนี้ปุนแบ่งปันถ้ามันบาปเกิดพนติการที่จะ ก, ก, กพัฒนาเป็นการพัฒนาเป็นการแบ่งปันโวมหลงพัฒนาให้เป็นความรู้ควมทุกพัฒนา้เป็นความรู้โวมโกรธพัฒนาให้เป็นค ว, มวนาวมรู้นี่คือนักบุญ ถ้ามาเกิดที่กายที่ใจจะเป็นเช่นลอยล้วก็มีพ่อมีแม่พ่อแม่จะเป็นเช่นไรถ้าเราเป็นคนดีถ้าเรามีบุญเกิดที่กายที่ใจเรามีสามีปัญญาปัญญาสามีจะเป็นอย่างลอยถ้าบุญเกิดที่กายที่ใยเรามีบุตรมีลูกมีหลานพูดลูกหลานจะเป็นเช่นลอยถ้าบุญที่เกิดขึ้นที่ใจกับเรามีเพื่อนมีมิตร เพืนไม่ใจเป็นอย่างไรถ้ามีบุญเกิดขึ้นที่กายที่ใจเราย่อมเกิดความ ส, าสุขสงบร่มเย็นร่วมกันพึ่งป๋าใส่กันได้ถ้าเราไม่มีบุญเกิดขึ้นที่กายที่ใจก็แม้แต่ตัวเองก็พึ่งตัวเองไม่ได้มีใจก็พึ่งใจไม่ได้แล้วก็บุญแบบโปอ่ง ผมว่าคุ้มดีไม่มั่นใจตัวเองเกิมีบาปบารว่าจะบาปจะสั่งเป็นชี้ค่าของขมหลงเป็นชี้ค่าของขมโกรดเป็นชี้ค่าของขมทุกขมหลวงมาที่ใดก็รับว่าเป็นหลงวงขมทุกมาที่ใดก็รับเป็นทุกขมโกรดมาที่ใดก็เป็นโกรดเป็นทาตของอารมณ์ เอ๋อลุมเป็นโทสจริตเป็นโมหจริตเป็นลาฆะจิตหับใช่สิ่งที่ชั่วร้ายมีกายก็รับใช้จึงเหลนั้นมีใจก็หลับใช้ถึงเล่ น, นคยเป็นธาตุของมันอยู่ยังมีทุกข์มีโทษมันก็เกิด พิดภัยไล่แรงเมื่อมันหลงไปเช่นนั้นไม่รู้ที่กาที่ใจแล้วเนังสือผิวมัวนี่จับยาเสพติดได้ผลลดทั่วยิดเป็นมูลค่าห้าร้อยล้านบาทในความหลงมาขนาดนั้นมันจะทำให้คนหลง ดูสิโลกทุกวันนี้โรงหนังละครบริชเตอร์ทางล้า น, นต่างๆสร้างคนหลงเท่าไหร่ของกินก็ทําให้หลงของใช้ก็ทําให้หลงรูปก็ทําให้หลงเสียงก็ทําให้หลงกลิ่นก็ทําให้หลงเราจะอยู่ยังไงถ้าเราไม่มีการฝึกตนสอนตน เราให้กินบนใบหน้าเนี่ยคตั้งบริษัทเป็นหมืน่นเป็นแสนบริษัทเฉพาะใบหน้าเนี่ยของเราเนี่ยถ้าเราไม่หลงโกนผุกมันเที่สงซะใช่ไหม <c oughs> ไม่เคยทรงกระจกเลยไม่รู้หน้าตาเป็นยังไง ส่งไม่ได้ผิดวิเนอรออแต่มันจะเป็นยังไรไปหน้าไม่เคยรักษามันเออก็ก็อยู่ได้แต่บางคนต้องมีเครื่องมนกับปาถือไปเข้าในห้องน้มก็ส่งกระป๋าส่งไปละ เราไม่กันวนเรื่องนี้ต้องเก่งเหนือโลกก่านนี่ถ้าไม่เก่งนะอยู่กับโลกลำบากมีเท่าไรก็ไม่พอยืนบ่ อ, บอผมผอมโผงโผงทำงานหลังช่วก้านช่วดินร่างกายไม่ได้กินเลยมันเป็นงานบริโภคมันเป็นการอปรุปโภคบริโภค อุปโภคบริบโภคน้อยๆ อ, อุปโภคมากที่สุดบริก็สูบเล่าก็จิ้นของเสพติดคนมาบนรุดมเป็นคันบนรถทั่วเป็นคันกองรวมเขาถ่ายรูปบ้างาเสพติดนี่เราบอกว่าไม่สูบบริไม่กินเล่าไม่สูบบริไม่กินมาก บุหรี่ก็ไม่สูบมาก็ไม่กินคนสูบบุหรี่ก็เสียเปรียบเราคนกินมาก็เสียเปรียบเราคนกินเล่าก็เสียเปรียบเราสมัยมีเงินคนละร้อยเราไปซื้อบุหรี่แล้วเรายังเหลืออยู่บางคนจะหาเงินไหนหนอมาซื้อบุหรี่สูบบางคนจะได้เงินไหนหนอมาซื้อเล่ากินเราไม่คิดแบบนั้นเลย เนีนะธอจะพูดถึงเศรษฐกิจซู้อิสลามไม่ได้ศาสนาอิสลามเขามีระเบียบปฏิบัติเรามีไล่ยางสวนยางฝรา่ไม่มีรถโจนเลยมอเตอร์ไซค์คันเดียวหาเงินได้วรรลุหมื0นล้พันมีรถมอเตอร์ไซค์คันเดียววิ 30, ่งเข้าสวนยางไปขีดยางภรา จะมีถังยางพลาใส่รถท้ายรถมาวนหนึ่งขายมาทำแล้วก็อาอยางพลาใส่ท้ารถมาใส่วิ่งไปขายก็ไม่มีรถจิบโล่รถหกโล่เหมือนบ้านเราบ้านเราในขายไลย่ขายสวนซื้อรถวิกงอพกันทั่วบ้านทั่วเมืองเดี๋ยวนี้เทบแถบทางที่ฝนตก วนี้ไปสุดภูเขาลุนีเป็นสวนอย่างพาราของอิสลามหมดแล้วต่อไปภูเขาลุนีจะมีอิสลามวาเต็มไปเลยเขาไม่แต่งตัวเขาไม่พุ่งเผยเหมือนเราลือนหนิงจินดาเขาไม่ใส่ผู้หญิงก็ผ้าคุมหัวไม่เห็นน่องผู้ชายก็ไปโกนหนว คนเขาเลยแล้วก็มีโห่เดียวมีเดียวไม่เหมือนคนเราทกคนไทยเราน้องตาเปยนเขาแต่งงานกันเคยไปไ ป, ไปที่ฟิลิปปินส์ไปดูการแต่งงานเขางานแต่งงานเขาก็ยิ่งใหญ่ ขึ้นเบทีโชทั้ทงสองคนเจ้าหนุ่มเจ้าสาวเจ้าสาวขึ้นไปยืนบนเบทีต่อหน้าแข ก, ขกนั่งขย้เต็มไปหมดพระคุหัวเจ้าเบาขึ้นไปเปิดใบหน้าจูเพียมนิดเดียวเจ้าวางกบ บานดอกไม้ดอกกุหลาบโตกันะเลือต่างๆแล้วเจ้าบ่าวก็บอกว่าข้าพเจ้าจะมีเมียคนเดียวเท่านี้ในชาตินี้ข้าพเจ้าจะเป็นสามีที่ดีของเมียของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นพ่อที่ดีของลูกข้าพเจ้ารับผิดชอบอครอบครัวไม่ทิ้งตายเป็นตาย บนรับผิดชอบชาวบ้านก็วานดอกไม่ขึ้นเวทีชาสาวเพื่ลงเข้าไเจ้าก็าจะมีสามีคนเดียวทุนดีจะทำาานที่การบ้านการงานให้ดีที่จุดกับสามีจะเป็นแม้ที่ดีของลูกจะเป็น ญา่เป็นแม่ที่ดีของแม่ของย่าของพี่นอ้องทุกคนตะ ว, วานก็บานนอกไม้ขึ้นเวทีเต็มเหมือนกับอร่อยก็จับแขนกันล้ไปให้ผู้หลอกผู้ใหญ่สังสนไอพวกเรานี่ไปเจอกันวุฒมีก็แต่งงานกันแล้วสองสหาหวันก็ทิ้งกันเลย ก็อยากจะเป็นเท่าเป็นเจีบ้างในการแต่งงานจะสนจะสนดีๆนี่มันก็ไม่ไม่มีแล้วทุกวันนี้เสื่อมหมดแล้วเสียดายไปๆนี่แต่ก่อนมันต้องอย่าสองขวายต้องรักกันทั้งหญิงทั้งชายเดี๋ยวนี้ พ่อแม่ไปรู้เรื่องอะไรหรอกใครมีลูกสาลูกชายทุกวันนี้พ่อหนุ่มพ่อน้อยศึกไปหวังมีความสุขพ่อลูกอย่าหวังเลยทุกวันนี้ <c oughs> ใครมีลูกเป็นทุกข์ตอนนั้นนะเออไม่เห็นคนมีความสุขเหมือนสมัยก่อนสมัยก่อเนี่ยโอ้ยมีลูกสาวพ่อแม่แยงก็เดินก็แยงเห็นลูกสาวนุ่งผ้าสิ้นมัดมีเห็นลูกชายนุ่งสลลง บางทีนุ่งสลงไปคนเก๋ๆคนเท่ายังขอดูสลง่งในมานับขวมดูสลงเขาทํำยังไงเห็นพรามัดมีของลูกสาวเดินไปเขาดูโดยชงลูกเป็นหนุ่มเป็นสาวพ่อแม่มัสมีสีสุขแต่นี่ก็เป็นลูกโรงงานจะบวชก็ต้องขอโรงงานมาบวช จึงว่าเป๋เปรียวเดียวดายกำพผ้าลูกไม่ลูกก็ไม่ได้อยู่อาศัยไปเป็นหนุ่มบัญชออยู่โรงงานกันหมดก่อจะลูกก็อุม้มหลานมาให้เริ่มเรียกน้านกันล้วอเลยได้ยินนะไรอ่ยแนี้หลวงพ่อหลานป่วย ไม่มีเงินพาหลานไปหาหมอข อ, อยืมเงินจากร้อยบาทพ่อแม่มันก็ไม่ส่งเงินมาให้เนียได้ยินนะเนี่ยได้ยินจาบ้านมาจากนี้ก็ลเลยเอาเงินให้สองร้อยบาทไม่ต้องยืมนะเอาไปเลยสร้างบ้านขนฉลาไว้วัดพธิ์เาองตลอดพ่อแม่ที่ไม่มีลูกดูแลให้ไปอยู่ที่ น, นั่น มีเครื่องดื่มมียามีตู้ยามีเสื้อว้าให้นอนเครื่องดื่มยาเจ้แค่ให้เจปวดถ้าไม่ไปอยู่ก็ไปใช้ได้เจ็บแค่ได้ป่วยไปดูชี้ไปบอกคิวอะไรไปนั่งดื่มมีกระติกํ้ำร้อนมีเครื่องดื่มอะไรต่างๆไว้ ตั้งไวเป็นปีไม่มีใครไปกินเลย <c oughs> เลยไม่ตั้ <c oughs> ไม่มีใครตั้งเราก็หวังดีจะช่วยอยู่นะอยู่นี่ก็ชวนมาอยู่นี่มาอยู่นี่คนแก่ๆคนเท่ามาอยู่ด้วยกันนี่ก็ไม่อยู่หรอกมาอยู่แปเดียวก็คิดถึงลูกข้างหลังคถึงบ้านก็เป็นอย่างนี้นี่ไม่มากเราจึงอ๋อ อะท่านี้ก็พอแล้วนะ